ทำวัดเช้าที่นี่ต้องตื่นแต่เช้านะเช้ามากๆเลยมันผงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ใหม่เพราะต้องต่อสู้กับความง่วงออกจากกุฏิก็ต้องเจอความมืดบางคราวก็ต้องเดินฝ่าฝนมาทำวัด เพียแค่ตื่นให้เช้านี่ผู้หมายหลายคนก็จะรู้สึกอิดออดนะมันฝืนกับความเคยชินเดิมๆอิมตรารที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นึกถึงคำของหลวงพ่อพยอมนะท่านพูดไว้ดีมากท่านบอกว่า เราจะสวดมนต์เองนะหรือว่าจะรอให้คนอื่นสวดให้เราเราจะสวดมนต์เองหรือว่าจะให้คนอื่นสวดให้เราเมื่อใดก็ตามที่คนอื่นสวดให้เรานี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่ในโรงแล้วนะเราจะมาวัดเองนะหรือ people, ว่าจะให้คนอื่นหามเรามาวัด มาวัดเองนี้มันดีกว่าต้องเยอะนะถ้าให้คนอื่นหามมานี่แสดงว่าตอนนั้นนี่เป็นศพไปละนะอยู่ในโล่งละหรือไม่ฉช่นั้นก็เพียบหนะักเราจะพนมมือเองนะหรือว่าจะให้คนอื่นพนมมือให้งั้นถ้าพิจารณาแบบนี้นะมันก็จะเกิด ความกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเลยพวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดนะเราเลือกที่จะมาวัดด้วยตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นถามเรามาวัดนันเราเลือกที่จะสวดนมนต์เองแทนที่จะให้คนอื่นสวดให้เรา ถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่มีประโยชน์แล้ะถึงแม้ว่าผู้ที่สวดให้เรานี้เป็นพระอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำํำแต่ตอนนั้นก็คงจะไม่มีประโยชน์แล้ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสวดมนต์ด้วยตัวเองก็จะช่วยให้ธรรมะเนี่ยซึมซับในจิตใจของเรา และถ้าเราไม่เพียงแต่มาสวดบนเฉยๆนะแต่ว่าเรามาปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่แค่สวดไม่ใช่แค่เอ่ยหรือสาธยายพระวัจนะแต่ว่าลงมือนะปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจด้วยอันนี้แหละมันก็จะเป็น การเตรียมจิตเตรียมใจของเราในขณะที่ยังมีกำลังวังชายังมีสุขภาพดีเราก็มาเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ในที่จริงก็รวมถึงการเตรียมตัวด้วยเตรียมกายด้วยเตรียมเพื่ออะไรนะเตรียมเพื่อที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้น บางคนอาจจะมาเพราะความทุกข์อยู่แล้วนะความทุกข์ผลักให้มาวัดคนส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่มาวัดเพราะว่าวัดไม่ใช่สิ่งที่สะดวกสบายไม่ใช่สิ่งที่จะสิ่งที่กิเลส ต, ต้องการเท่าไหร่ อยู่ที่บ้านก็สบายอยู่แล้วนะจะมาวัดทำไมแต่ว่าจำเป็นต้องมาเพราะความทุกข์นี่มันผลักไสมันบีบังคับน้อยคนนะที่จะมาโดยที่ไม่มีความทุกข์ผลักมาเลยแต่มาเพราะเห็นว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอความทุกข์ก็เลยมาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ สำหรับกา ร, รเผชิญกับความทุกข์เผชิญหน้ า, าความทุกข์นี่ดีกว่าให้ความทุกข์นี่มันผลักเพราะว่าเวลามันผลักนี่มันเข้ามาข้างหลังแล้วผลักเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกระเด็นกระดอนไปที่ท่าไหนถ้ากระเด็นเข้าวัดหรือวัดธาามเข้าวัดก็ดีไป แต่ถ้าทลาไปทางอื่นนี่ก็อันตรายนะเช่นบางคนเจอทุกข์แล้วก็ทลาเข้าหาเหล้านะกินเหล้าเพื่อยอมใจนะเพื่อคลายเครียดนะเพื่อจะได้ลืมความทุกข์อันนี้อันตรายนะอย่างที่พูดไ้เมื่อวานหรือว่าความทุกข์มันผลักให้ไปทำร้ายคนอื่นเพื่อแก้แค้น อาจจะไม่ทำร้ายด้วยการกระทำแต่ทำร้ายด้วยคำพูดซึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียตามมาพูดไปแล้วก็เสียใจภายหลังนะอันนั้นก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่อย่ารอให้ความทุกข์มันผักแล้วนะเรารเผชิญหน้ากับมันดีกว่าแลนะสิ่งที่เรา มาทําที่นีนะ่เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจมันไม่ศูญเปล่านะเพราะว่ายัางไงก็ต้องเจอแน่นะความทุกข์อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วที่จริงความทุกข์มันไม่ได้รออยู่เบื้องหน้าเท่านั้นนะมันตามตัวมันตามติดเราตลอดเวลา เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์จังเอาแล้วความทุกข์มันตามเราติดๆเลยแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมายังไม่แสดงพิษสองออกมาหรือว่าแสดงแต่ว่าค่อยๆแสดงอย่างเช่นความแก่เนี่ยความแก่กค่อยๆปรากฏกับเรา 1อาทิตย์1เดือน1ปีก็อาจจะไม่รู้สึกว่าแก่แต่พอผ่านไป 4-5 หปีก็ในความแก่ก็เห็นชัดนะเรียวแรงก็อ่อนลงหรือว่าผิวหนังก็เหี่ยวย่นแต่ความทุกข์บางอย่างมันก็มาเร็วนะไม่ต้องรอเป็นปีไม่ใช่นโกคภายไข้เจ็บนี่บางทีไม่ต้องรอเป็นปีนะความปวดความเมื่อยนี่แหละก็ทุกข์เหมือนกันนะ ความปวดความเมื่อยนี่มันแสดงให้เราเห็นเร็วนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางคนแค่10นาที15นาทนีความปวดความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาละมันไม่ได้มาจากไหนนะมันก็อยู่ในสังขารของเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่ประจ า, ยาสังขารของเราเพียงแต่รอเวลาแสดงตัวออกมาเท่านั้นเอง บางคนมันก็แสดงออกมาเร็วหน่อยบางคนก็แสดงตัวออกมาช้าอันนี้เรียกว่าทุกข์นะแต่ว่าเป็นทุกข์ที่เราพอจะจัดการได้เราเพียงแค่ขยับเนื้อขยับตัวอา้าวทุกข์มันก็หายไปแต่ถ้ว่ามันหายไปทีเดียวก็ไม่ใช่นะเพียงแต่มันก็หลบในเนะช่นเรานั่งแล้วเมื่อยเราก็พิงเสาความทุกข์ไม่ได้หายไปมันแค่หลบ แล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาใหม่พิงเสาสักพักก็เมื่อยนะพิงเสาองนี่ไม่ดีแล้วเอนดีกว่านะนอนดีกว่าทีแรกก็จะแค่ตะแคงนอนตะแคงก็สบายแล้วแต่มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็เมื่อยละงั้นนอนหงายดีกว่า นอนงายก็สบายแต่ความทุกข์ความเมื่อยความปวดไม่ได้หายไปไหนมันก็เพียงแค่หลบสักพักแล้วมันก็โผล่มาใหม่เมื่ออไงล่ะต้องขยับเนื้อขยับตัวอันนี้แหละนะให้เรารู้ว่าเนี่ยมันคือสัญญาณที่บอกเราว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ประจำตัวเรามันตามติดเราไปตลอด ถ้าเรามองอย่างนี้นะเราก็ได้ประโยชน์นะให้ความปวดความเมื่อยมันก็สอนทำให้กับเราว่าความทุกข์นี่มันตามติดเราไปตลอดเวลาและนี่ก็ยังเป็นแค่พิษสงเล็กๆน้อยๆของมันต่อไปมันจะมาหนักกว่านี้ มันจะมาในรูปความเจ็บความป่วยซึ่งบางอย่างก็รักษาได้แต่ว่าบางอย่างมันก็รักษาไม่ได้ถาถึงตอนนั้นนี่จะพึ่งยาจะพึ่งหมอก็ไม่พอนะแม้แต่โรคที่รักษาได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสบายเนื่องถ้าเกิดว่า เราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะถึงเวลาที่ความทุกข์ที่มันหนักหนาสาหัสกว่ามันมานี่เราก็จะรับมือไม่อยู่นะมันไม่ใช่แค่ความเจ็บความป่วยถึงแม้ยังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังวังชาแต่ก็มันก็มาในรูปอื่นความสูญเสียสูญเสียคนรัก สูญเสียพ่อแม่ <c oughs> หรือสูญเสียของรักนะทรัพย์สมบัตินะชื่อเสียงกิยศสถานภาพงานการไอสิ่งเหล่านี้นี่มันล้วนแล้วแต่รอเราอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นและคนที่ฉลาดเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันมีอะไรรออยู่ ก็จะเห็นความสำคัญของการมาเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจถึงแม้ว่าจะทำความดีแค่ไหนให้ทานรักษาศีลเพียงใดนะมันก็ต้องเจอสิ่งที่พูดมาเนี่ยวันยังค่ำไม่ช้าก็เร็วเพราะว่ามันเป็นธรรมดาโลกมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะ ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วไม่ว่าคาราวะหรือพระไม่ว่าปุตุชนหรือพระอริยะเจ้าอยู่ที่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ว่าเมื่อเจอแล้วนี่ใจจะเป็นทุกข์หรือเปล่านะความแตกต่างอยู่ตรงนี้ความแก่ความเจ็บความป่วยความพัฒพ า, า, าสูญเสียรลมนั่งความตายเกิดขึ้นกับทุกคนพระพุทธเจ้าก็ นีไม่พ้นนะแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าใจเป็นทุกข์หรือเปล่าแก่เจ็บป่วยแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่ก็ทําได้นะสูญเสียก็สูญเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียใจไม่ทุกข์นี่ทําไดนะ้คนส่วนใหญ่ก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยทุกข์เพราะสูญเสีย ทุกพอเจ็บพอป่วยทุกพาอพัดพลากอันนั้นเนี่ยมันคิดแบบนี้ก็ยังไม่ถูกนะมันรวดรัดตัดตอนเกินไปอาหลายคนเขาเจอความพัดพลา ก, mm. ากเจอความสูญเสียนะเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไร mm. เงินหายของหาย mm. คนรักตายจาก mm. ก็ไม่ได้ทุกข์อะไร ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปจู่ๆก็ได้ข่าวว่าก็ได้ยินว่ามีคนตะโกนว่าแม่เนี่ยถูกรถชนตายอยู่หน้าบ้านนักแกก็ไปที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นแม่จริงๆแล้วก็ตายคาที่เลย แต่เธอก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรไม่ได้ฟูมไฟล์ไม่ได้คร่ำครวญคนก็แปลกใจนะพ อ, อจัดการกับศพเรียบร้อยแล้วก็มีคนหนึ่งไปถามว่าทำไมเธอไม่ร้องไห้ไม่รักแม่หรือเธอบอกเธอก็รักแม่แต่ก็ที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะเห็นว่าความตายเป็นธรรมดา ก็จเจริญมรณาสติอยู่เสมอนะว่าความพัดพรากสูญเสียความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราและคนรักของเราได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญชอบใส่บาตรนะเมื่อมาลงเอยแบบนี้ก็ไม่เสียใจไม่ไม่ไม ไม่คลำโคลนว่าทำไมทำบุญแล้วถึงต้องมาลงเอยแบบนี้เพราะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่แม้ว่าจะประสบความพ่ายพ้สูญเสียแต่ก็ไม่ทุกข์ความเจอบความป่วยหลายคนก็เจอแต่ใจไม่ทุกข์ ทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกอย่างหลุงพ่อของเราเนี่ยนะตอนนี้ก็ป่วยมากแต่ว่าท่านก็ปวดแต่กายหมอถามว่าปวดไหมท่านก็บอกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีที่ไหนที่ที่ไม่รู้สึกปวดแต่ว่าท่านก็ ใจของท่านก็เป็นปกติไม่ได้เรียกร้องอยากจะให้เอายาระงับปวดม า, มาจัดการกับความปวดเลยบางทีท่านก็ใช้คาว่าสนุกป่วยนะเตรียมตัวตายก็สนุกดีความตายใกล้เข้ามาก็ไม่ได้ทุกใจความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกนะ มันไม่ได้เกิดจากกรรมคำพูดหรือการกระทําของใครบางคนไม่ได้เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ใดมากระทบกระแทกกับเราอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยก็ดีมันไม่ทำให้ใจเราทุกข์ได้สิงทําให้ใจทุกข์นะก็คือใจนะ ที่ไม่มีสติไม่มีธรรมะคุ้มครองปุจจาจัดว่าธรรมที่มีอุปการะมากมี2ประการคือสติและสัมปชัญญะสติก็แปล ง, ง่ายๆว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่จริงสติธรรมมีหน้าที่หรือมีคุณสมบัติมากกว่า น, นั้นเวลาทุกข์ใจเนี่ยอย่าไปโทษสิ่งอื่นอย่าไปโทษ รูป ล, ลดกินเสียงที่มากระทบนะอย่าไปโทษเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่ให้กลับมาดูใจของตัวว่าเปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานเข้ามารังควานใจิตใจเราหรือเปล่า คนส่วนใหญ่เวลาทุกข์ใจนี่แทนที่จะกลับมาดูใจของตัวนะกลับมองไปที่ข้างนอกกลับโทษสิ่งภายนอกอันนั้นมันส่วนประกอบแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักพระดุจ้าเนี่เคยเปรียบเทียบนะว่ามือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ที่เป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะมือมีแผลเมื่อไปจับต้องยาพิษพิษมันก็ซึมเข้า ทำอันตรายกับร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้นั้นถ้าเกิดมีกเป็นไปอย่าไปโทษยาพิษนะต้องมาดูว่าเป็นเพราะมือมีแผลหรือเปล่าจริงๆเนี่ยถ้ามือมีแผลเนี่ยนะอย่าว่าแต่ยาพิษเลยนะแม้กระทั่งใบไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็ไปจิ้มเอาไปทิ่มเอาก็เจ็บเหมือนกันนะอันนี้ผู้ จ, จัดตรัส นะเรื่องมือที่มีแผลเนี่ยนะก็อุปมาอุปไม้นะถึงใจของเรานี่แหละเวลาเราทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่เพราะคําพูดของใครไม่ใช่เพราะการกระทําของคนรอบตัวไม่ใช่เพราะเขาเอาเงินเราไปไม่ใช่เพรา ะ, ะดินฟ้าอากาศเหตุการณ์บ้านเมืองหรือพฤติกรรมของนักการเมือง อันนั้นมันส่วนประกอบนะแต่สิ่งสําคัญคือใจเรามีแผลใจเรามีช่องโหว่ให้ความทุกข์มันเข้ามาครอบงําและส่วนใหญ่ที่ทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยมันไปไม่มีสตินะพอใจไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาเนี่ยมันก็ไปเปิดช่องให้ความทุกข์ความโกรธความเกลียดต่างๆเข้ามาครอบงํา แต่ก่อนที่ความโกรธความเกลียดมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกเพราะคิดนะทุกเพราะเอามาคิดก็พูดเมื่อที่ที่แล้วก็ยังเก็บเอามาคิดพอคิดมันก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความเกลียดอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ยังปล่อยให้มันลุกลามในใจนะ มันก็เหมือนกับใจที่กำลังถูกเผาต่ที่จริงเนี่ยเพียงแค่เรารู้ทันความคิดหรือไม่เก็บเอามาคิดนะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาฟังหูซ้ายทะลุหูขวาลมปากเนี่ยพูดเดี๋ยวนี้ มันก็หายไปเดี๋ยวนั้นนะแต่ใจของเราเนี่ยไปเก็บเอามาคิดมันก็เลยเหมือนกับเปิดเทปนะกรอกครูซ้ําแล้วซ้ําเล่าคนพูดบางทีเขาลืมไปละแต่เราไม่ลืมเราก็ไม่ลืมไม่ใช่ไม่ลืมอย่างเดียวแต่พยายามจําด้วยเอาคําพูดเอาการกระทําของเขานี่มา มาคิดนะแล้วก็เลยเกิดความทุกข์ mm hmm. เกิดความไม่พอใจ mm hmm. เกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมา เ, าเพียงแค่มีสติเนี่ยนะรู้ทันว่าใจกำลังเผลอคิดไปกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพอรู้เท่านั้นแหละมันก็จะวางได้ไอที่ทุกนี้พอใจไม่ยอมวางนะใจไปยึดไปแบกเอาไว้ ให้ลองดูเถอะนะในความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อใ่ก็ตามที่รู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาลองกลับมาดูใจนะมาสำรวจดูก็จะพบว่านี่เป็นเพราะใจนี่มันไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เก็บเอามาคิดบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ก็นึกปรุงแต่งล่วงหน้า ใจที่ชอบจดจำหรือชอบปรุงแต่งนะมันก็เป็นที่มาของความทุกขนะ์เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาจริงถ้าเราถ้ามันจะคิดแต่รู้ทันนะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือถึงแม้จะเผลอคิดไปจนทั่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาแต่มีสตินะมันก็จะช่วยดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้น ถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นความโกรธยังมีอยู่ความเกลียดยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าเห็นมันเห็นความโกรธความเกลียดเห็นความกลุ่มที่เกิดขึ้นและเห็นปั่นสักพักนะมันก็จะละลายหายไปเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งเพราะมันไม่มีเชื้อที่จ ะ, ะต่อเติมให้มันลุกใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เผลอมีเผลอเผลอสติเมื่อไหร่นะใจนันก็จะปรุงนะปรุงอารมณ์เหมือนกับเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันไหมอยู่ตลอดเวลาแล้วใครที่เดือดร้อนนะก็ใจเรานั่นแหละแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่นะจิตมันจะออกมามาเห็น ความโกรธมาเห็นความทุกข์พอเห็นปุ๊บนี่ความทุกข์ใจมันมันเบาลงไปเลยนะเห็นกับเป็นนี่มันต่างกันมากส่วนใหญ่นี่พอใจไม่มีสตินะมันก็เลยเข้าไปเป็นเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้ปวดเป็นผู้ทุกข์ แต่ถ้าเรามีสตินะมันก็จะเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่ขาดทุนมากเลยนะมันทำให้ใจเศร้าหมองจิตตกต่ำแล้วก็อาจจะผลักชีวิตให้ไปในทางที่ตกต่ำยิ่งขึ้นไปหาเล่าไปหาอบายมุกนะแต่ถ้าเห็นทุกข์นะเห็นความโกรธความเกลียดนี่ ได้กำไรนะเพราะว่าจะเห็นทำตามมาได้ไม่ยากนะไอ้ความทุกข์ความโกรธความเก็ียมันก็จะสอนทำให้เราเห็นความจริงนะเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของอารมณ์ต่างๆเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของมันอันนี้แหะคือธรรมะนะที่ถ้าเราเห็นเมื่อไหร่นะได้กําไร อาจจะนึกขอบคุณคนที่ทําให้เราเคยทุกขเคยที่คนที่ทําให้เราเสียอกเสียใจด้วยซ้ำนะย่างมีผู้หญิงบางคนหนึ่งเนี่ยโดนน้ากรดโดนผู้ชายเอาน้ํากรดสาดหน้าเพราะว่าผิดหวังที่เธอไม่รักต่อผู้หญิงคนนี้ก็สวยมากอายุยี่สิกว่าก็เสียศูนย์ไปพักใหญ่นะเกือบจะฆ่าตัวตายแนละ้ว แต่ก็ไม่ทําเพราะว่านึกถึงแม่แต่ลกัก น, นั้น 3-4 ปีเนี่ยเธอก็กลับเหมือนกับชีวิตเนี่ยพลิกเปลี่ยนเป็นคนใหม่มีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่สาดน้ำกรดใส่เธอเธอบอกไม่โกรธเลยเพราะเมื่อมาใกล้ครัวรแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์ครั้งนั้นมั น, มนทําให้ มันมีประโยชน์กับเธอมากนะประโยชน์ข้อนึงคือมันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือปล่อยวางได้เร็วทำให้เธอได้เห็นว่าเนี่ยสังขารนี่ร่างกายยังไงมันก็ต้องเสื่อมไปไม่ช้า ก, ก็เร็วแต่การที่มันเกิดขึ้นกับเธอเร็วนะคือเธอนี่หน้าตาเสียโฉมตาบอด แต่ว่ามันทําให้เธอปล่อยวางได้เร็วเจออะไรที่เจออะไรหลังจากนั้นนี่เธอก็ปล่อยวางได้ง่ายสายตาของผู้คนคาพูดของผู้คนที่พูดถึงเธอนี่ตอนนี้เธอไม่รู้สึกอะไรละเพราะเธอปล่อยวางได้ก็ขนาดที่หนักกว่านั้นก็คือรูปโฉมหน้าตาเธ อ, อยังปล่อยวางได้ นันเธอก็เห็นธรรมนะเห็นธรรมจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเวลาเจอทุกข์แล้วเราเห็นทุกข์นะเราก็จะได้ธรรมะนะจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่คนเราเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็น เพราะใจไม่มีสติ ม, มันก็เลยคล่ครวญมันก็เลยคล่ำ ค, วาาครวาแต่คล่าครวญนั่นแหละบางทีคล่ำครวนจนคิดสั้นทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็ทำให้เราได้ ค, คล่ายครวญพอคล่ายครวญแล้วเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น รวมตั้งเห็นทางออกจากทุกข์ด้วยหลายคนนะเวลาเจอปัญหาในชีวิตปัญหาในการทำงานเนี่ยเอาแต่กลุ่มนะเมื่อใดก็ตามที่เรากลุ่มเนี่ยให้รู้ว่าใจเราเผลอไปละลองกลับมาตั้งสติให้ดีก็จะพบทางออกได้หรืออย่างน้อยเนี่ย พอมีสติแล้วเนี่ยก็จะไม่เสียเวลากลุ่มละแต่ว่าจะหาทางแก้ปัญหานี่มันไม่ได้มีไว้กลุ่มนะปัญหามีไว้แก้ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะัปัญหาก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่ม อ, อกกลุ้มใจจมจอมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้ามีสตินี่ก็จะ ไม่เสียเวลาไม่เสียอารมณ์ไปกับการกลุ่มใจแต่ว่าจะหันมาจนลุกขึ้นมาแก้มันนะเจอปัญหาแล้วกลุ่มนี่โง่นะแต่ถ้าเจอปัญหาแล้วแก้เนี่ยฉลาดฉลาดทั้งในแง่ที่ว่าไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราบประโยชน์ฉลาดในแง่ที่ว่า ไม่ปล่อยให้ปัญหามาเล่นงานแต่เราจัดการกับมันซะเลยและาจะาฉลาดในแง่ที่ว่าได้ประโยชน์ได้เรียนรู้จากปัญหาปัญหาก็ทำให้คนฉลาดนะเด็กที่ทำกันบ้านมากๆนี่ก็จะเป็นเด็กฉลาดได้ง่ายคนที่เจอปัญหาในชีวิตก็สามารถจะเป็นคนฉลาดได้ถ้าไม่หมดแต่กุ้มแต่ว่าพยายามหาทางแก้ ถ้าไม่แก้ที่ตัวปัญหาก็แก้ที่ใจก็ได้มันแก้ได้ทั้งนั้นปัญหาบางอย่างนี่มันมันแก้ที่ตัวปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอย่างโรคบางโรคนี่หรือว่าความสูญเสียบางอย่างเช่นความตายของคนรักเราไม่สามารถจะเลี้ยงให้ฟื้นกลับมาได้โรคบางโรคนี่มันเยียวยาให้หายไม่ได้มีแต่ต้องปล่อยให้เป็นไปตาม พัฒนาการของมันแต่ก็ยังแก้ได้คือแก้ที่ใจแก้ที่ใจไม่ให้ทุกไปกับมันทุกเพราะอะไรทุกเพราะยึดมั่นถือมันทุกเพราะไปยึดมั่นในยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นสุขนะหรือยึดมั่นเพราะว่า หลงคิดว่ามันเป็นของเราไอ้พวกนี้แหละนะคือรากเหง้าของความทุกข์คืออวิชชาคือความหลงนั่นเองมันไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีสติทุกข์เพราะเผลอคิดฟุ้งซ่านไปเท่านั้นนะแต่เบื้องลึกของมันก็คือไอ้นี่แหละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราใคร้ายโคลรู้ว่านี่คือสาเหตุ นี่เป็นปัญหาที่ต้องแก้เรองแก้ที่ใจปล่อยวางปล่อยวางทีแรกด้วยสติต่อมาก็ปล่อยวางเพราะมีปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นได้เลยที่จริงเพียงแค่มีสติมันก็ช่วยให้ปล่อยวางได้เยอะนะเช่นเวลาปวดเนี่ยเวลาปวด ปวดกายเนี่ยถ้าไม่มีสติมันก็ปวดใจไปด้วยแต่ถ้ามีสติมันเห็นความปวดดึงจิตออกมาถอนจิตออกมาจากความปวดมันก็มีแต่กายเท่านั้นที่ปวดแต่ใจไม่ปวดด้วยยิ่งถ้ามีปัญญาเห็นเลยนะออมันไม่มีเรามันมีแต่รูป ก, กับนามไอนะความรู้สึกว่าเราปวดเราปวดมันก็มันก็จบ หายไปมันมีแต่รูปที่ปวดหรือมันมีแต่ความปวดที่เกิดกับรูปที่อาศัยรูปนะแต่ว่านามหรือใจเนี่ยไม่ปวดตามไปด้วยอันนี้เราพอมีปัญญาเห็นมันก็วางนะวางความปวดที่เคยยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราที่ปวดใหนะถ้าเรามีมีสติมีปัญญารักษาใจนะ ให้ความทุกข์ใจนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ความทุกข์กายความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นห้ามไม่ได้ในความหมายที่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราได้รู้เห็นตรงนี้แล้วเราก็มาเตรียมตัวเตรียมใจของเราเอาไว้ฝึกเพื่อจะให้มีสติ เ, เพื่อรักษาใจมีความรู้สึกตัวมีปัญญานะ รวมต้องมีความอย่างน้อยๆก็มีความอดทนมีความันมีขันติอย่างที่พูดเมื่อวานมันก็ช่วยทําให้เราสามารถจะเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันกระทํากับเราอย่างไงก็ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันผลักเราไปทางไหนก็ได้แต่เราจะเผชิญหน้ารับมือกับมันแล้วก็สามารถเปลี่ยนรให้กลายเป็นดีนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้ อ่ะจาวนี้ก็เพิกดเทนี้นะอ่ะรับร